ก่อนจะอธิษฐานพรรษาทำความเข้าใจกันก่อนการเข้าพรรษาตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าก็อย่างที่ผมได้เกินได้พูดให้แกคณะจัตตาราโยมและก็หมู่พกเพื่อนฟังก่อนหน้านี้เมื่อพระพุทธเจ้าตัดสู้ก็ถึงระยะยาวนานพอสมควรพระสงฆ์ยังไม่ได้เข้าพรรษา ต่างองค์ก็ต่างออกไปปฏิบัติสาธารณกิจหรือว่าไปบําเพเออ็ญเดินทุดงเข้าไปในชูป่าโรงพงไพสุดแท้แต่องค์ไหนจะไปที่ไหนแต่พระสมัยนั้นอย่างน้อยก็ไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างที่พวกเราได้ยินที่พระพุทธเจ้าเจด็จดดไปณสถานที่ใด อย่างน้อยกวพระ500หรือมากกว่านั้นหรือภาษาเลบุตรจะไปที่ไหนบริวารกว่าห0าร้อพระโมคขรา บ, บริวาร500พระมหากจัจเจาหรือพระอ克拉สาวกแต่ละองค์ก็โดยมากก็มีบริวากรก็โดยมากไปตัเดินรัดทุ่งรัดท่าแล้วก็ลัดป่าดง ที่ทำไร่ทํารั้วทำสวนของเขาเนี่ยการทํารั้วทำสวนของเขาก็าต้องปลูกฟักปูกแฟงเนี่ยเจนีพระสงฆ์ก็อยู่เป็นพระในบ้านในเมืองก็ไม่รู้ว่าจะเหยียบตรงไหนมันจึงจะถูกบางทีก็เหยียบสเปสะสปะไปก็ทําให้พืชผักผลไม้ของเขาเสียหายไปเหยียบคันนาของเขาคณะก็แหลกเกลียวไปหมด คณะสัตยาญาิโยมเขาได้รับความเดือดร้อนก็ก็พูดพนธนาติเตียนเรนว่าพระสงฆ์สมณะสักยะบุตรเนี่ยไม่เลยรู้ว่าหน้าแล้งหน้าฝนเที่ยวไปตลอดไม่มีวันหยุดแต่นกหนูปูปีกของเขาเขาก็ยังมีที่หลบที่ซ่อนหน้าฝนนักบวชมิกายอื่น เขาก็ยังมีการเข้าพรรษาหรือว่าการอยู่จาพรรษาของเขาเขาเขาไม่เที่ยวแต่ว่าสมณะสากยาบุตรลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าเนี่ยไม่มีหน้าแรงหน้าฝนอันนี้คือเขาโพธ น, นาติเตียนพระสงฆ์นยกสมัยนั้นออพระสงค์ท่านผูมีอาวุโสท่านก็ได้ยินอะไรมากราบทูลพระพุทธทเจ้า พระพุทธเจ้าก็เออตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อประชุมสงเสร็จแล้วท่านก็ให้ภิกษุจำพรรษาคือก่อนที่จะเข้าพรรษาก็คือประชุมสงเมื่อประชุมพร้อมกันแล้วก็อธิษฐานพรรษาแต่ถ้าองค์ไหนไม่ไม่เข้าพรรษาจะไปที่อื่นก็เรียกว่าพรรษาหลังพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้หนึ่งเดือนจากวันนี้ไปอีกหนึ่งเดือน แต่ถ้าว่าพรรษาเข้าไปในเดือนนั้นไม่เข้าพรรษาเนี่ยแปลว่าพระไม่มีพรรษาปรับอวบัตรทุกกฎนะแปลว่าพระไม่อยู่ในวินยัยอันนี้คือพุทธบัญญตัติแต่ว่าการเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาแล้วตั้งแต่วันนี้แหละเมื่ออธิษฐานพรรษาแล้วพวกเราจะออกไปปัดกวาดแต่ยังไม่สว่างนะเราเปิดประตูออกไป ยังไม่สว่างอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนอกรั้วเพราะรั้วของเราเนี่ยเป็นขอบเขตหรือว่าเราจะออกไปบินท่าบาทยังไม่ได้อารุณไปไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่สว่างอันนี้ก็คือเรื่องของพระนะคือไม่ออกไปคือเราอธิษฐานอิมัตจอมิงอาวฟาเซ ยิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิคือข้าพเจ้าจะรับข้าพเจ้าจะอยู่ในอาวาสนี้ตลอดไตรมาสสามเดือนอยู่ในอาวาสก็คือเราคณะสงฆ์ที่ประชุมกันพร้อมกันอยู่นี่แหละเราจะจัดขนาดไหนจะบอกเป็นอาวาสเราก็บอกเออตั้งแต่กำแพงรอบล้อมรอบทั้งหมดนี่แหละคืออาวาสของพวกเราแต่ข้าว่าเราออกนอกกำแพงไป แต่ว่าเราออกนอกอาวาสแปลว่าเป็นโทษผิดเป็นอาบัตแต่นนเราคณะจำพรรษาเราจะอยู่ในอาวาสในพรรษานี้เว้นเสียแต่เราสัตตหะการณียะสัตตหะการณียะนั่นคือไปได้เจวันคือพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ไปได้เจวันไปได้เจวันนั่คือกิจทระอะไรที่ไปได้เจวันคือพ่อแม่จะไม้ได้ป่วย ญาตาิพี่น้องผู้มีอุปกระคุณเจ็บได้ไดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็สัทธาญาติโยมผู้มีอุปกระคุณนิมนต์ก็ไปศัตาหาไปได้เจ็ดวันหรือว่าครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ศัตาหาไปดูแลเจดวันหรือสหธรร ม, มิกมีจิตใจผิดปกติจิตใจไม่ไปตามทํานองครองทำหรืออยากจะลาศิกขา สัตหะไปเพื่อห้ามปรามก็ได้ไปได้เจวันแต่ว่ามีข้อหนึ่งสมัยนั้นคงจะไม่มีโรงพยาบาลผมว่านะไม่มีซิกขาบทไหนอ่านดูแล้วแล้วก็ถามกันในรายละเอียดแล้วว่าสัตตหะไปโรงพยาบาลไม่มีตาติบไข้ได้ปวดเนี่ยไปโรงพยาบาลสัตตหะไปไม่มีถ้าไปก็แปลว่าพันสาขาดอันนี้กฎหมาย แล้วบอกพระวินัยจุดนี้สมัยก่อนคงไม่มีไม่มีโรงพยาบาลที่จะต้องไปนอนพอนั้นเวลาถึงจุดนั้นถ้าเป็นถึงจุดนั้นพวกเราให้รู้กันว่าเออพระที่จะไป น, นอนโรงพยาบาลเราก็ต้องให้ใครเป็นผู้นิมนนะต์หมอนิมนต์ก็ได้หรือญาติโยโซเฟอร์เราก็ได้ใครก็ได้ขออนุโมนทานาจารย์ไปโรงพยาบาล ขอไปนอนพักในโรงพยาบาลครับผมคือให้มีผู้นิมนต์เราก็รับนิมนต์อันนี้แปลว่ารับนิมนต์สัทธะกรณิยะไปได้เจ็ดวันจากนั้นก็กลับมาแต่ถ้าว่าจะไปตามลําพังโดยที่ไม่ได้สัตตะกรณิยะพันสาขาดอันนี้เราก็ดูกันพอสมควรเพราะสมัยนั้นเราคิดว่าในครั้งพุทธกาลคงจะไม่มีโรงพยาบาลที่จะไปพักค้างพักแรมที่อื่น แต่ว่าสัตหกรณนิยะไปถึงจะไปซ่อมแซมวัดวาศาสนาอื่นแล้วก็ไปได้หรือว่าศาลาของเรารั่วเราไปเพื่อไปหาไม้เอามาเพื่อซ่อมกุฏิศาลาของเราท่านก็นยังอนุญาตให้ให้ออกไปได้เจดวนันนี่คือมีความจำเป็นเราก็สัตตหกรณนิยะไปได้เจดวันคือพระวินัยที่พระพุทธเจา้าแต่ถ้าไม่จำเป็นจริง อย่างหลวงตา ท, ท่านก็ตำหนินะตำหนิคือบางองค์ครูบาอาจารย์บางท่านพอจิตนิมนต์ลงไปพอลงไปได้หวันกลับขึ้นมามานอนวัดนอนคืนเดียวแล้วก็วันรุ่งขึ้นลงไปอกีกกลับขึ้นมาอกีกนอนคืนเดียวแล้วก็ลงไปอกีกกลับขึ้นมาอกีกอันนี้หลวงตามหาบัวท่านตำหนิถขาบอกว่าไม่น่าจะถือสิ่งภายนอก เป็นจิตยาลักษณะถึงขนาดนั้นจิตนิมนก็จริงอยู่ไม่น่าจะให้พําพําเพื่อเรือรังจนเกินไปน่าจะเป็นตัวของตัวอันนี้จะถือว่ากิตของญาติของโยงจมจะเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่น่าจะถูกอันนี้ก็คือองค์หลงตาที่ท่านที่ท่านเคยพูดนะอันนี้เราก็ฟังฟังเอาไว้เหมือนกันเป็นแนวเป็นแนวการศึกษา แต่ผมก็ฟังดูแล้วมีเหตุผลที่หลวงตาพูดนะเพราะนั้นวันนี้พวกเราจะได้อธิษฐานพรรษาตอนนี้ไปอันดับแรกก็คือพวกเราจะได้กรวะพุทธปฏิมาพุทธเทกปมาเทนะธรรมเมปมาเทนะสังเคปมาเทนะข้าพเจ้าขอกราบคารวะประมาทพลาดพังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดอโหสิให้แก่วพวกเราพวกเราจะได้จําพรรษาพร้อมกันในปีนี้เพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลสําหรับพวกเราอันดับแรกเราจะได้ฆรวะกรจากนั้นก็วาวานนโมสามจบพร้อมกันเมื่อวานนโม3ามจบพร้อมกันแล้วก็อธิษฐานพรรษาพร้อมกันอิมัตจมิงอาวาเซอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอเปมิ ในเมื่อจําพรรษาแล้วเมื่อเข้าพรรษาแล้วผมเองไม่อยากจะให้หมู่ขยับขยื่อนกุตินะใครอยู่หลังไหนให้อยู่หลังนั้นถ้าขยับมันมันยุ่งเดี๋ยวองคนั้นไปอยู่ทางนี้องนี้อยู่ น, นลยยุ่งทั้งวัดเลยไม่ได้แต่บิณทบาทก็เหมือนกันถ้าบิณทบาทผมว่าน่าจะแบ่งกันแบ่งสายกันใครจะไปสายไหนแบ่งสายกันไป แล้วกระโดดเข้าไปดูเข้ามาบางทีมันจะว่างตามไม่จริงให้แบ่งก็ไม่แบ่งแบ่งกันที่ว่าสายไหนจะไปสายไหนแต่เราเวลาบินนบาดขาไปเนะี่ยผมไม่อยากจะให้พระหนุ่มพระน้อยนั่งรถให้เดินไปถ้าขากลับมานะอีกแบบอย่างหนึ่งแต่ขาไปเนะี่ยไม่อยากจะให้ใครนั่งรถมันดูดูแล้วมันจะถือรถสระนงังคดชามีน่ะไม่ดีปีก่อนผมก็ไม่เคยแต่ปีที่แล้วหนูผมว่าเออ อายุเรามากแล้วแล้วก็เราเดินไปที่หลังก็ใช่เราก็เลยนั่งรถพอน้อยเราพระหนุ่มพระน้อยจะเอาเราเป็นตัวอย่างไม่ได้นะพระเล็กพระน้อยไปทําน่ยมันดูลักษณะมันพระขี้เกียจไม่ได้ไม่ถูกถ้าว่าขืนยังนั่งรถ ด, ดูแล้วแล้วเราจะเดินที่ไ เ, เดินไปทางใหม่ให้พวกนี้เดินไปทางเก่าวะ่ะ มันทำไมมันขี้เกียจว่าพระวะกะนอกนั้นก็คงจะไม่มีอะไรนะนั่นแหละการที่จะจำพรรษาก็ให้พระทุกองค์สี่สิโให้สํารวมระวังกายวาจาใจของเราทุกคนให้สํารวมระวังอย่าให้มีเรื่องอย่าไปพูดไปคุยอย่าไปมั่วสมเกินไปอย่าไปต้มน้ำร้อนน้ำชา อย่าไปเอาน้ำร้อนไปกินโกโก้กาเฟ่ไป ม, มั่วสมแล้วก็กินโกโก้โกาเฟ่ถ้าว่าองค์ไหนเป็นอย่างนั้นบอกนะแต่พระเก่าก็เหมือนกันถ้าองค์ไหนเห็นพระเก่าทำอย่างไรบอกพระเก่าไหนเราจะเน้นหนักเป็นพิเศษเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าว่าพระเก่าไม่ดีแล้วจะทำยังไงเละตุ่มเป๊ะไปหมด สอนพระเก่าให้เป็นตัวอย่างแต่ในพระเก่าไม่เป็นตัวอย่างมันจะทาให้เสียหายเมื่อทำให้เสียหายแล้วมันจะสอนพระใหม่จะสอนให้ดีได้อย่างไรเพราะนั้นต้องดูพระเก่าที่เป็นรุ่นพี่ถ้ารุ่นพี่ไม่เป็นเรื่องแล้วกันนะจัดการรุ่นพี่ก่อนให้ออกจากวัดก่อนมันทำไม สอนให้เป็นพระที่ดีแล้วยังดีไม่ได้ไม่ควรจะอยู่แล้วก็พร้อมการพระใหม่ทุกองค์ก็ให้พวกท่านทั้งหลายผู้ใดรับการศึกษาดีแล้วให้สำรวมให้ระวังกายวาจาของตนเองอย่าให้มีเรื่องในวัดปาบ้านตาดก่อนเข้าพรรษาในหลวงตาจะพูด อย่าให้มีเรื่องนะอย่าให้มีการชกต่อยกันนะอย่าให้มีลงมดัดลงมวยในวัดนะถ้าหากว่ามีลงมวยลงมดัดลงมวยในวัดเราจะไล่หนีทั้งคู่เราจะไม่มีการไม่นิจฉัยแสดงว่ามันเลวเหมือนกันมันจึงมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าองค์หนึ่งไปตีไปต่อยเขาแต่องค์นั้นไม่สู้องที่ลงมือลงมดัดลง มือนั่นนะอนั้นต้องหนีจากวัดแต่องค์ที่ไม่สู้นั่นต้องได้สืบสอบซะก่อนเราไปแย่เขายังไงเราไปพูดเขายังไงเขาจึงโมโหโกทางเข้ามาชกมาต่อยเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่เขาขัดข้องมองใจขุ่นเคืองในใจแล้วก็มาทำร้ายทำลายเราองค์นี้ไม่ได้ต่อสู้อย่างนี้องค์ที่ต่อสู้นั้น องค์ที่ลงมือก่อนต้องไล่นิจักวัดนนี้คือกฎเหล็กที่ลงตามหาบัวท่านทํามาแล้วองค์ไหนก็ตามอย่างสัตหะกรณียะไปพอไปแล้วกลับมาพันสาขาดไม่มาตามกำหนดอายุทำตามที่สัตหะกรณียะไป หลวงตากไ็ไล่หนีออกจากวัดอีกเหมือนกัน เ, เคยมีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรื่องกฎระเบียบขอให้พวกหมู่พวกเพื่อนพระทุกองค์ให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วผิดถูกชั่วดีเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรพวกเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วควรจะรู้ไม่ต้องพูดกันทุกอย่างก็เราต้องอดทน ขันติคือความอดทนถ้ามีอะไรหนักใจผมเป็นหัวหน้าอยู่แล้วเข้ามาบอกกล่าวบอกผมแล้วผมจะพิจารณาเองว่าจะจัดการยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะวัดนี้คือผมเป็นหัวหน้าผมพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์ในเรื่องการ ดูแลหมูพวกเพื่อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้บอกกันผู้ที่อยู่ใกล้กันให้บอกกันแล้วก็พระพุทธพระเก่าก็ให้ใส่ใจเวลาพระใหม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันไหนอย่าไป็นิ่งดูได้อันนี้คือหน้าที่หน้าที่ของพวกเราที่เป็นพาะเก่าจะต้องดูดูแลจากนั้นก็มาบอกผมจะไปโรงพยาบาล ถ้าผมไม่อยู่เรือผมอยู่ยังไงก็ให้จัดการเลยไปโรงพยาบาลถ้าอาการหนักหนาการบอกเราเรื่องนิมนต์อย่างที่ผมพูดทนายพันสาแต่ผมขอบอกกับหมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่จำพรรษาด้วยกันเพราะกุฏิของเราห่างกันเพราะต่างองค์ต่างอยู่อย่างผมก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าผมเจ็บไข้ได้ป่วยกลางคืน ผมอาจจะตีระครังตีคองหรือว่าเคาะระครังบอกกล่าวตีเคาะไม้ให้หมูได้ยินผู้อยู่ใกล้ให้รู้ได้ว่าเออองในของไม่สบายไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงกระชยไม่ได้นะแปลว่าเป็นการให้สัญญาณกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลางคืนเราจะเดินไปหาหมูเราก็เดินไม่ไหวมันปวดหรือว่างูกัด แต่คาบกัดอย่างนี้จะให้หมูมาช่วยอย่างนี้เราก็หาก้อนหินหรือขวายไม้หรืออะไรก็ได้เคาะฝาผนังหรือเคาะฝากุฏิตัวเองเลยหรือเคาะบันไดก็ได้ดังปัองปังปงปังปังปังปังปงปงปปังแสดงว่ามีเหตุผู้อยู่แถบแถบนั้นก็ต้องวิ่งเข้าไปดูว่ามีเรื่องอะไรเพราะนั้นเวลากลางคืนห้ามเคาะไม้ตีตะปูเด็ดขาดพูดอย่างนั้นได้นะ ถ้าท้าองค์ใดก็ตามตีตะปูเคาะไม้กลางคืนเวลาเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นหมู่พวกเพื่อนก็เอ้ยพระองค์นี้เป็นอย่างงั้นแหละเคยเคาะไม้เคยเคยาะประตูคราวนี้เราก็ไม่ไม่น่าไปเพราะว่ามันเคยเคาะไม้ตลอดนี่แหละทำให้เสียเพราะฉะนั้นขอให้หมู่พกเพื่อนทุกองค์ให้ฟังเอาไว้คำนี้กลางคืนพอค่ำมาแล้วห้ามเคาะไม้ ในคุติที่พักของตนเองแต่ว่าข้อไม้ก็แสดงว่ามีเรื่องละมีเหตุอันนี้ครบบอกว่าให้กับทุกองเวลาเก็บไข่ได้ป่วยกลางค่ากลางคืนไม่ต้องวิตกกังวล ห, หาก้อนหินก็ได้หาไม้ก็ได้อะไรก็ได้เคาะรองเท้าก็ได้ตีดังปกัปกปกัปกปกักปักปักปักปักองได้อยู่ใกล้ได้ยินแล้วก็รีบไปดูมีอะไร ให้ช่วยกันแต่พอเห็นแล้วก็รีบมาบอกมาบอกองค์ที่อยู่ใกล้องค์ที่อยู่ใกล้เมื่อได้ข้าวแล้วก็ต้องวิ่งมาพะาระศาลาองค์นั้นก็ต้องเลี่งไปเข้าไปดูเข้าไปช่วยองค์ได้ยินแล้ก็ต้องวิ่งมาสาลาพอวิ่งมาสารากันะองค์พระสาลาก็อยู่เฉยไม่ได้นะต้องบอกหมู่บอกเพื่อนที่อยู่ใกล้ต้องช่วยกันพอที่จะบอกหารถก็ บ, บอกหารถมารับจะไปที่ไหนอย่างไรหรือเมื่อมากกว่านั้นก็ บ, บอกผม บอกผมผมก็จะได้เข้ามาพิจารณาช่วยนะอันนี้คือเจ็บไข้ได้ป่วยกลางคืนนะอันนี้คือวิธีการปฏิบัติวิธีการภาวนาก็เหมือนกันถ้าภาวนามันผิดปกติถ้าเราไม่เคยเดินเรื่องมักเราให้ยึดแนวแถวของสายหลงปูมั่นไว้ก่อนอย่าไปสง่งจิตออกไปข้างนอกอย่าไปฟังเรื่องของ ที่อื่นสายอื่นมาแล้วมาปฏิบัติจากนั้นเพ่งตัว น, นั้นเพ่งตัว น, นี้อยากจะได้กสินย้อนจากกสินอย่างนี้ผลใิสุดเป็นบ้าขึ้นมามันยากนะสิ่งเหล่านี้ในขณะที่มาศึกษากับผมให้ปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกให้มีสติสัมปชัญญะอันนี้ก็ให้ภาวนาแต่ภาวนาไปแล้วมันเป็นยังไง มีปัญหาอย่างไรอันนั้นก็ให้ถามผมในขณะผมลงมาฉันน้ําตอนบ่ายก็พร้อมที่จะเข้ามาถามผมได้ถ้ามีความข้องใจนะพอผมก็บอกให้หมูพวกเพื่อนทุกองค์ให้มีความจําเป็นแล้วก็ที่พักพาอาศัยเรื่องของใช้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นของผมผมรับแล้วก็ผมก็มาไว้ที่ศาลาอย่างที่เมื่อเช้าก็ดีตอนไหนก็ดีที่ผมรับ เสร็นผลที่สุดก็เก็บเก็บมาไว้ที่ศาลาเพราะนั้นหมู่พกเพื่อนอยากจะใช้ก็หยิบเอาไปใช้แต่ว่าการที่จะใช้และการจะแจกให้หมู่ให้หมู่พวกเพื่อนหรือให้วัดอื่นๆหรือให้ญาติให้โยมต้องพูดกันนะต้องให้มีระบบไม่ใช่ว่าใครจะขนให้แก่ใครก็ขนไม่ใช่นะชมวัดไม่ใช่ขององค์นั้นองค์เดียวผมมอบให้แก่สงฆ์ผมมอบให้แก่ทุกองค์ผมไม่ได้มอบ ความไว้วางใจใหญ่องค์ใดองค์หนึ่งจะขนให้ใครก็ได้ไม่ใช่อย่างพวกน้ํายาคัดห้องนองหองน้ําก็เหมือนกันเราต้องเอาไปในครัวแต่งในครัวจําเป็นได้สั่งซื้ออย่างนี้เราต้องแบ่งอย่าให้ผมได้บอกครัวก็คือพวกของเรายาพวกสบู่พวกแฟบพวกยาซีฟงยาซีฟันแปลงอะไรก็ต่างพวกท่านทั้งหลายต้องดูอทั้งสองวัดนั่นน่ะ ทางวัดสวนทางวัดอยู่ในครัวเนี่ยเราจะแบ่งยังไงไม่ใช่ว่าเราจะขนให้วัดอื่นผลที่สุดก็ให้ผมสั่งซื้อทั้งที่มันผมเห็นอยู่เต็มหูเต็มตาพลินเพ ท, ทักเราจะไปขนออกไม่ได้นะต้องเอาไว้ใช้ในวัดสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันคิดผมไม่ได้มอบความไว้วางใจใหญ่องค์ใดองค์หนึ่งผมมอบให้แก่สงเป็นหน้าที่ของพวกท่านทุกองค์จะต้องดูแลช่วยกัน ของที่เกิดขึ้นมาในวัดผมรับรับเพื่อส่งไม่ใช่รับเพื่อผมเมื่อรับเสร็จแล้วพวกท่านต้องไปจัดแจงไปแบ่งไปเก็บอันไหนควรจะเก็บไว้ที่ไหนผ้าไตรจะเก็บไว้ที่ไหนของใช้บางส่วนจะเก็บไว้ที่ไหนควรจะแจกยังไงควรจะแบ่งปันให้แก่วัดต่างๆวัดสาขาที่เข้ามาคารวะ เ, เราจัดเป็นสัดส่วนถวายท่านไป อันไหนที่พระจะแจกญาติโยมเราก็แจกแต่เราต้องรู้าบางองค์ก็เอาของที่พระใช้เอาไปให้ญาติให้โยมใ ห, ให้แก่พักแก่พวกเราห ล, ล บ, ลบซ่อนๆทำอย่างนั้นไม่ได้นะอันนั้นมันเป็นขโมยไอ้ขา่าวเราจะให้อันไหนต้องดูซะก่อนอันไหนของที่จะพระควรจะใช้ไม่ใช่ว่าของดีครบของดี เอาไปแจกให้คนอื่นหมดมีแต่ของเก๊ะจะถามหาอะไรก็ไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้นะพวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันบริหารผมมอบภัแก่สงฆ์สงฆ์เป็นผู้จัดการเป็นผู้ดูแลความเป็นธรรมทั้งในครัวด้วยทั้งหมู่พระสงฆ์ด้วยแล้วก็การหยิบอะไรไปใช้ อย่าไปใช้อดูชูแจกไม่ใช่ว่าใช้ยาปูก้อนนี้แหะครัทิ้งเกินไปเรื่อยเอาพกันน้องคั้นเอาไปใช้พนนี้ไใช้เห็นแต่สบู่เต็มไปหมดพอใช้แล้วไม่รู้จักเอาอะไรครอบอีกต่างหากาไม่รู้จักรักษาอีกต่างหากถ้าเราเป็นคารวะเราเคยทำบุญทำทานไหมให้ถามตัวเองเมื่อเราเป็นคารวะเราเคยซื้อของเหล่านี้บริจาคไหม ถ้าเราซื้อบริจาคเออเราจะทิ้งอย่างนี้ไหมถ้าเราซื้อถวายพระถ้าพระทิ้งอย่างนี้เราเกิดศรัทธาไหมเราเห็นด้วยไหมถ้าพระใช้อิรุ่ยทูแจกอย่างนี้สิ่งเหล่านี้พวกท่านต้องถามพวกท่านเองอย่าให้ผมได้ถาม อ, อถ้าผมถามผมก็จะต้องด่าท่านดีล่ะเรียกองคไหนที่ทำอย่างนี้ขึ้นมาออถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายนะถ้าไม่จาเป็นยามอาอับ น้ำเตี้ข้างโรงครัวที่อื่นผมจัดไว้สถานที่มากมายที่สำหรับให้พวกท่านทั้งหลายอาบน้ำส่งน้ำไนพวกท่านทั้งหลายไปปรับปรุงสิปรับปรุงให้ดีทำเป็นห้องก็ได้ทำสายยางเข้าไปก็ได้ทำเป็นห้องก็ได้กระเบื้องของเรามีตังเยอะแยะถ้าพวกท่านไม่โง่จนเกินไปถ้าพวกท่านโง่เกินไปกันนี่มันมีแต่ฝาผนังที่อาบน้ำตันี้ ก็ เ, เลยไปไม่อาจไปอื่นเพราะมันมีฝาผนังอันนั้นแปลว่าพวกท่านทั้งหลายโง่ามากจนไม่รู้จักปรับปรุงในการเป็นอยู่ของตนเองถ้าเรารู้จักปรับปรุงกว่อนี้เราก็ทําเสาขึ้นมาสี่เสาทันเองเออทําเป็นตัวจีขึ้นมาแล้วก็ตีกับเบื้องเ อ, อจากนั้นก่อนหาไม้ก็ได้ไม้ของเราก็มีเยอะแยะปูนก็ได้ไปเทจากนั้นเราก็ไปอาบน้ําเปิดน้ําเข้าไป แล้วก็สงน้าที่นั่นไม่จำเป็นจะต้องมาอาบที่นี่มาอาบที่นี่มดูดูสิวันสารบวนวุ่นวายพระตังเยอะแยะมาอาบน้ำที่นี่อย่านะผมไม่ให้อาบตรงนี้ตรงนี้ม่จจำเป็นจริงๆจะมาสงค่อ ย, อยว่ากันมีความจำเป็นถ้าไม่จำเป็นอย่ามาใช้ อ, อพอมันมาใช้ลรามีกลิ่นเหม็นคุ้งไปหมดเพราะน้ามันเน่าที่อื่นเรามีอยู่ สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยช่วยช่วยกันคิดนะแล้วก็จะพาทิ้งจะไปตากผ้าทิ้งเกินไปนแถวแถวเนี้ยถ้าองค์ไหนก็ตามนะตากผ้าทิ้งทิ้งเกินไม่มีระบบไม่ระเบียบรนะักวังผมจะหยับมาม้ว น, มนผมจะทิ้งเข้าป่าให้หมดผ้าหมดนนั้นนะจะว่าผมไม่บอกนะบอกแล้วเดี๋ยวเนี้ผมบอกแล้วเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายคิดนะวัดวาศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด มันต้องรักษากฎและเบียบต้องรักษาธรรมวินัยไม่ใช่ว่าเราจะตากผ้าที่ไหนก็ตากเกินไปหมดคนทั้งหลายมาเห็นก่อเห็นแต่ผ้าของพระผ้าอาบน้ำบงังผ้าอะไรต่อไม่อะไรบงังทิ้งเกินไปหมดหนูแล้วมันมันไม่น่าดูาตากผ้าหน้าบ้านเนียมันจะตากได้ยังไงมันต้องหาที่หลบที่เก็บในการตากผ้าเก็บผ้าสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกท่านทั้งหลาย ด้วยการคิดและการอยู่การฉันโกโก้โ ก, โกาแฟก็เหมือนกันไม่ใช่เราอดอาหารแล้วจะมากินเวลาไหนก็มากินมานั่งล้อมกันมาโโจกันอยู่นั้นไม่ได้นะฉันต้องเป็นเวลาเวลาฉันก็พอฉันเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างไปแต่ฉันให้อิมผมไม่ได้ว่าเพอฉันอิ่มแล้วก็จุดในวันนะถ้าพวกเราหิวชาลาของเราก็ไม่ได้ปิดเราก็มาฉันสิ ถ้ามันหิวเราจะไปอดทำไมเราอดก็อดเพื่อมันให้มันหิวอดเพื่อจะได้ดูใจของตนเองถ้าไม่อยากจะหิวไปมาฉันเออย่างพระที่องค์ไปปฏิบัติกุติผมก็าตามอย่าไปถือเล่ว่าไปดูกุติผมแล้วไม่อดอาหารไม่ได้นะผมดูๆแล้วมันเป็นหมูขึ้นไปเรื่อยๆผมอยู่กับผู้บ่ายจานเห็นไหมเห็นรูปของผมไหมถ้าว่าอ้วนมันไม่ดี จะไม่ดียังไงเหมือนกระช้างมันอว้วนมันตกมันกิเลสราคะเข้ามาเย็ยบย่ำหัวใจเว้ยไรเพราะว่ากิเลสเนี่นี่แหละอุรมสมมูมันไม่เคยบำเพ็ญไม่รู้จักการปรับปรุงกายใจของตนเองกินจนลากท้องหลักไส้ออกมาพลที่สุดก็นั่นแหละตายตายจากผมไมจัน์ตายจากนักพดนักปวด ส, สิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายคิดนะถ้าไปกุติของผมก็ตามให้เปลี่ยนกัน อ, องค์ไหนที่อดอาหารก็องค์หนึ่งอยู่องค์หนึ่งก็อดพอหนึ่งอดองค์หนึ่งก็อยู่พระองค์เก่าต้องมหาลุกมือเข้าไปไปช่วยกันองค์ไหนทํำยังไงก็สอนกันนี่แหละผมเคยปฏิบัติอยู่กับองค์หลวงตาผมทําอย่างนี้หลวงตาก็บอกเหมือนกันอย่ามายุ่งกับอะไรมากเรามากนะ ให้พวกท่านทั้งหลายถ้ามีแต่ไม่อยู่กับเร า, าไม่ได้ภาวนาเลยงั้นแต่จุ่งแต่กิจวัดของเราโผล่ในสุดจิตใจตา ย, ตายออกจากศีลจากธรรมมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกท่านต้องมีธรรมในใจมาอยู่กับเราต้องมีธรรมด้วยมาอยู่ใกล้เรายิ่งระมัดระวังไม่ใช่จะกลางนะมาอยู่กับเรานะจะพูดเอาไหนให้องค์ไหน ว่าเป็นถือว่าปิดบุคคลสาคัญไม่ได้นะเล่าไล่นี้ออกจากวัดนะจะว่าเราไม่บอกนะองค์ที่มาอยู่ใกล้เรายิ่งรู้จักการอ่อนน้อมท่อมทนรู้จักวิธีการพูดวิธีการโน้มน้าว เ, เพราะมาอยู่ใกล้เราต้องเป็นบุคคลตัวอย่างไม่ใช่ว่ามาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เป็นนักเลงเมันจะเกิดประโยชน์อะไรเข้ามาศึกษาเพื่ออะไร เพราะฉนั้นพวกท่านทั้งหลายอยู่ในวัดของเราต้องรู้จักนะการสถานที่บุคคลให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําใหร้รู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักกาละเทศาบุคคล<ม>พวกที่ท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชเป็นพระนวา ก, กะก็จริงอยู่แต่หน้าที่การงานของท่านเป็นผู้ใหญ่ในหน้าที่การงาน พวกเราก็ให้ความเคารพในระดับหนึ่งว่าท่านเป็นผู้ใหญ่วัยวุฒิคุณวุฒิทางโลก เ, เราไม่ใช่ว่าจะไปยุไปแย่ไปตีเสมอไปดูถูกเกียดติยำไม่ได้นะผมไม่เห็นด้วยนะต้องให้ความเคารพในระดับเป็นระดับกันทางโลกให้ระดับเคารพแต่ท่านผู้เป็นผู้ใหญ่ก็ก็ตามนถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดจะควรปฏิบัติยังไงกับคูบาคูบาของท่าน ท่านคงจะได้รู้มาแล้วเพราะท่านเคยผ่านโลกผ่านการผ่านงานมาแล้วเนี่ยแต่ผมเป็นห่วงแต่สำหรับพระของเราเนี่ยเขามาบวชแล้วไม่ได้ลืมตาไม่ได้มองดูทางโลกของเขาเออมีแต่กางตลอดนักเลงตลอดไม่ได้นะวัดของเราไม่ใช่วัดนักเลงนะวัดเหตุวัดผลนะมีอะไรต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผล ให้มีความพร้อมเพียงสมัครคีกันรักกันเอาไว้มีอะไรจะต้องพึ่งพาอาศัยกันแบ่งกันอยู่แบ่งกันชันแบ่งกันใช้ปัจจัยสีที่ได้มาถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความจำเป็นเอาบอกมาผมเก็บไว้ปัจจัยที่วัดผมไม่ได้เก็บไว้เพื่อผมนะเก็บไว้เป็นส่วนกลางถ้ามันเหลือส่วนกลางไปแล้วก็สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนอนุเคราะห์ส่วนกลาง มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนพร้อมที่จะให้กับทุกคนเราไม่ได้ถือว่าเป็นปัจจัยของเราคนอื่นให้เราเขายังให้ได้ถ้าเราจะสงเคราะห์คนอื่นเราสงเคราะห์ไม่ได้เหรอแต่คนอื่นเขาสงเคราะห์พระพุทธศาสนาสงเคราะห์วัดเราก็ยังสงเคราะห์ได้แต่วัดของเราสงเคราะห์คนที่ยากคนจนคนที่ด้อยกว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยวัดไหนที่ ไม่มีเอ็ดอเทเลกราฟหรือความวัดไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีความจำเป็น เ, เราก็สงเคราะห์ อ, อนุอเคราะห์เพราะว่าอันนี้คือปัจจัยปัจจัยของพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยของกลางการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันอันี่แหละผมไม่ได้เก็บไว้เพื่อผมนะถ้าพวกท่านทั้งหลายจะรู้ว่านี่แหละที่ปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลที่ได้มาเนี่ยค นี่แหละถ้าว่าวาไปเดียวเยวนี้ยเลยวัดของเราเป็นหนี้ทั้งหลายล้านนะแต่ผมก็ไม่หนักใจทำไมวะนี่เป็นหลายล้านนี่ผมให้เขาเซ็นสัญญาสร้างห้องผ่าตัดหัวใจที่จังหวัดขอนแกน่นสองล้านแปดแล้วก็ซื้อเครื่องมือผ่าตัดตับล้านห้าแต่ว่าเขามีเงินอยู่ห้าแสน แต่เราจะต้องหาให้เขาหนึ่งล้านแล้วก็เซ็นสัญญาตึกหนีไฟจะต้องเซ็นสัญญากันงวดที่สี่สั่งจ่ายงวดที่สี่อาจจะรวบงวดที่ห้าด้วยตัวนี้ก็เป็นเงินหลายเงินพอสมควรแต่เขามีเงินอยู่ 75, เจ็ดสิบห้าล้านแต่เราเรจ็ดเซ็นสัญญาเจ็ดสิบแดล้านจำนวนที่เกินทำยังไงแล้วก็ทำ ชั้นหนีไฟอีกถ้าได้ถึงเจ็ดชั้นจะต้องมีเงินอีกหกล้านเนะี่ยอันนี้แหละคือที่เราจะต้องได้คิดแต่ผมหนักใจผมไม่หนักใจผมไม่ให้หมู่หนักใจอีกต่างหากเพราะผมเป็นผู้รับผมคิดว่าไม่มีปัญหาผมจงรับผมก็บอกกับญาติกับโยมของเราอีกว่าพวกญาติโยมที่มาอยู่ใกล้หลวงพ่อไม่ต้องหนักใจ ถ้าหางว่าหลวงพ่อทำอะไรไม่คิดไม่อ่านทำอะไรจนเป็นที่หนักใจของลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อจะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกทูตเจ้าได้อย่างไรหลวงพ่อต้องรอบพอบต้องรอบพอบทุกอย่างที่จะทำอะไรหรือจะรับอะไรจะดำเนินการอย่างไรหลวงพ่อคิดดีแล้วเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องหนักใจแต่พวกท่านทั้งหลายอยากอยากจะมีศรัทธาเอยก็ไม่ว่ากันมาช่วยๆกัน แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมันหนักหนาะไม่ตรงนะสิ่งเหล่านี้ผมก็ได้พูดให้แก่คณะทัตทาน ญ, ญาติโยมที่เกี่ยวข้องให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผมนี่แหละการพูดท้งนี้ทางนั้นให้ฟังก็เพื่อให้พวกท่านทั้งหลายรู้ว่าการบริหารหรือว่าการจัดการหรือว่าการดูแลวัดว า, าศาสนาหรือพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะั้น หลงไม่พกเองไม่ได้นิ่งดูดายช่วยกันพอที่จะเกิดประโยชน์ทิงไหนก็ทำให้เกิดประโยชน์นะดันั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะในพรรานี้นะอย่างที่ผมได้พูดให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาน่แหละให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งใจใครจะอดอาหารก็อดแต่ประกอที่จะอดทางที่ดีก็ควรจะบอกกับหมูกับเพื่อนไว้ก่อนก็ดี เพราะวันพวกนี้ผมจะอดอาหารนะครูบานะบอกองค์ใดอง์หนึ่งถ้าเราไม่บอกเลยอดอาหารไปบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยกรหมูเขาไม่ได้ไปดูแต่บอกแล้วหนึ่งก็ชวายใจกับทุกหมู่ทุกองคพนันการจะอดอาหารเราจะอด อ, าาอีกกี่วันพวกเราจะตั้งสัจจะในการอดอาหารข้าพเจ้าจะอดอาหารเจดวันผมจะอดอาหารสิบวัน ผมอุจจหารสามวันอย่าไปตั้งสัจจะเพราะการตั้งสัจจานั้นบางทีเราภาวน า, าไปภาวนาแล้วมันไม่ท่าขาวนี่พอนั่งภาวนาไปโอม้มันงุนมันง่านไปหมดเลยเราก็รีบมาฉันซะขาวหน้าตั้งหน้าใหม่โชว์ใหม่แต่ถ้าเราตั้งกิจอธิษฐานแล้วน่ยมันเป็นยังไงภาวนายังไงเราก็ยังตั้งดันทุลังไปอยู่เงินเพอเอ เ, เ, เป็นบ้าได้ไง่ายๆเหมือนกันนะ เหมือนกันเราไปทํามาค้าขายไปทํามาค้าขายเข้าไปเจ้าจะอยู่ที่นี่เจ็ดวันทํามาค้าขายเอไปอยู่นั่งอยู่เจ็ดวันไม่มีใครมาเลยเราจะทํำยังไงเราจะอยู่ดันทุนลังไปอย่างนั้นหรอไปว่ามันไม่ได้ขายของเราก็ต้องกลับเ้วไปอยู่ได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันเราไปนั่งภาวนาแล้วมันไปท่าเราต้องกลับมาก่อนต้องตั้งหลักใหม่นี่ก็เหมือนกันการ อาหารเนี่ยเราจะไปตั้งสัจจ์นะอแต่อดนอนเนี่ยไม่เป็นไรถ้าอดนอนเนี่ยเราตั้งสัจจ์ก็ได้แต่อดอาหารเนีไม่ได้ผมรู้แล้วอแต่เราแต่อดอาหารเนี่ ย, ม ผ, มออาายผมว่าเนี่ยสามวันแรกเนี่ยมันยังมันยังเหนื่อยยังหิวนะ่ะแต่ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดไปแล้วสบายมันจะเหนื่อยเพลียบ้างเจ็ดแปดเก้าสิบในช่วงนั้นน่ะตอนบ่าย แต่ตอนเช้าก็สบายกลางคืนก็สบายนี่แหละผมเคยอดมาแล้วหลวงพ่อเคยอดอาหารมากี่วันหลวงพ่ออดอาหารมานานที่สุด25วันหลวงพ่อเคยอดนะสิบสิบหวันเป็นธรรมดาหลวงพ่อเคยอด25้าวันเคยอดอาหารเคยอดมาแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายแต่บางคนเขา อ, อดอาหารทําให้เป็นโรคกระเพาะ คนที่จะเป็นกระเพาะมันก็เป็นกระเพาะ อ, อยู่แล้วละ่ะะแต่หลวงพ่อเนี่ยแต่อดอาหารมากดมนานพอสมควรก็ไม่เห็นนะโรคกระเพาะของอมันก็ไม่เกิดนะกรเป็นอย่างที่ทุกวันนี้นี่ละ่ะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในพรรษาเนี่ยใครจะทําอะไรให้จริงจังอย่าไปมั่วสุมอย่าไปคุยกันผมพูดล่วงหน้าไว้ก่อนโดยมากพระนวากะนะผ่านเดือนหนึ่งผ่าพอผ่านเดือนที่สองท่านนะั้น พอเข้าเดือนที่สามมั่วกันแล้วนะพวกท่านทั้งหลายให้คิดเอาไว้คอถึงอย่างไรพวกท่านจะอยู่เพียงสามเดือนให้ต้งองโอตั้งใจตลอดรอดฟังอย่าไปพูดอย่าไปคุยกันจนเกินไปถ้าพูดก็ให้มีประมาณในการครบค้าสมาคมถ้าพูดอะไรจนเกินไปมันเกินงามนะไม่ดีเพื่อเปิ ด, ป ด, ปดทะเลาะวิพาดกันได้อีกต่างหากนะะตอนนี้ไป ออกคลวะก่อนเข้าบรรษาคาวะพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าก่อนเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสำหรัพบพวกเราท่านทั้งหลายนะวานโมสาม จ, จบนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนาโมตัสสะ ประมาณดาวารัจยนักตัณฐ์ตาังอภาระทังธรรมทุโรภันเตสังเขปะมาณดาวารัจยนกตัังอรทังธมุโันเต สัปปังอภิรารังธร t มตุโนภัณเกะมหเทเรปมารีนาดาวาระเจนะกตะตังสัปปังอภิรารังธรรมตุโนภัณเกะเรเรปมารีนาดาวาระเจนะกตะตังสัป p ังอภิรารังธรรมตุโนภัณเก ารระยปมพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความเผลอเลยด้วยความประมาทพลาดพัง ผมยินดีเอาโหรสิให้แก่พวกท่านทั้งหลายแต่พวกท่านทั้งหลายประมาทไปบ่อยไม่ได้นะต้องสํารวมกายวาจาใจของท่านด้วยประมาทเรื่องอะไรทำไมมันต้องมีเหตุผลประมาทโดยที่ไม่ได้คิดได้อ่านนั่นลหละมันจะเป็นบาปทางด้านจิตใจแต่ถึงอย่างไงก็าตามผมยินดีให้เอาโหรสิเนี่ตนี้ ตอนนี้ไปเบื้องหลังนะแล้วก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายสำรวมระวังผมเองก็เหมือนกันแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้คิดประมาทแต่ผมจะดุทึ่งจะดาทึงจะว่าก่าวผมก็ว่าคิดว่าผมเป็นธรรมที่ผมจะต้องพูดพบเหมือนพวกท่านทั้งหลายเหมือนอวัยวะของผมผมพร้อมที่จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพรั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ตะบุกตั้งใจมุ่งหวังต่อมรรคผลนผลิพพานต่อต่อความถูกต้องต่อหลักเหตุผลเพราะบ่าพวกเราไม่ได้คิดมุ่งหวังอย่างอื่นปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกเพื่อบุญเพื่อกุศล เ, เข้าสู่จิตใจขอให้พวกเราจเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภาละแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุด อ่างขมามิตุมเฮหิปิเมขมามิตับบังเอวังโหตุเอวังโห ต, โตุโยจะปุบเบปมัชชิตวาปัชชาโซนปมัชสติโซมังโล ก, กังปพาเซติอภามุตโตวจันทีมาอภิวาธนสีริจนิตยังบุษธาปจายโนจัตตารุธรมมาวัฏานติอายุวันโนสุ ข, ขังภาลางัง ตอนนี้ไปพวกเราจะตั้งจิตอธิษฐานพวกชีเอาไว้ก่อนนะที่หลังพวกเราวานธโมพร้อมกันอธิษฐานปรรษานะการอธิษฐานพรรษาคือให้มีความตั้งใจมั่นคำว่าอธิษฐานคือกความตั้งใจมั่นที่จะอยู่ในอาวาสนี้สมเดือนวฉะนั้นขอพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจจริงให้ตั้งใจจริงนะ วานโมพร้อมกันนโมตัสสะภาค า, า ว, วาะโตอะราหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนาโมตัสสะภาควะโตอะราหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนาโมตัสสะภาควะ อาราหะตัสัมมาสัมบูทัสสักว่าพร้อมกันเลยนะอิมัดสัมิงอาวาเซอิมันเตมสร้างวัดสร้างอุปเเมอิมัดสัมิงอาวาเซอิมันเตมสร้างวัดสร้างอุปเเมอิมาดสัมิงอาวาเ อิมังเตมะสร้างวัดสร้างอุเปเมาอมอข อ, อนิสัยต่อก็ได้ โอปาญิกังปฏิรูปังปาซาดิเกนสัมปาเหิตอตะเานิเทโรไมทาหัิเระสัาโรอตะเานิเท ตอนเช้าพระเวณต้องรายงานใส่กระดานทุกเช้านะพระมีเท่าไหร่อย่างทุกปีที่ผ่านมาและก็พร้อมกันถ้าเป็นไปได้พระที่จะฉันวันแต่ละวันถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาควรจะบอกทางในครัวเมื่อมาปัดกวาดว่าวันนี้องค์ไหนที่ไม่ฉันอาหารก็ลงลงชื่อไว้จะอดอาหาร ทำอย่างนั้นได้ก็ดีมากนะองค์นันจะอดอาหารหนึ่งสองสามอดอาหารผมหนึ่งบอกชื่เจ้าย่อไว้ก็ได้ท่านโจท่านมอท่านกอท่านขอท่านช อ, อดก็จอดอาหารถ้าเขียนได้อย่างนั้นก็ดีเพราะว่าจะได้บอกทางในครัวไม่ให้เตรียมอาหารที่มันเหลือจนเกินไปแต่ตามไม่จริงก็าอาหารในครัวก็ ควรจะทำเพิ่มนั่นแหละเพราะว่าบางทีก็มีแขกมีคนมาเราก็จะต้องได้มีส่วนไม่จะทำจํากัดเกินไปก็ไม่ได้แต่ถึงยังไงทํามันเหลือมากจนเกินไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็วันเมื่อเช้านี้เราไปรับอาหารตอนเช้า ว่าอาหารตกบาทเรา เ, ออเราต้องใส่ไว้ในบาทไม่ต้องออกมาก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาคนมันพระของเราทั้ง4ี่สิบกว่าองค์จะให้คนหาคนทั้งครบสีสิบนั้นไม่ได้เราก็ควรจะทำความเข้าใจพระใหม่พระเก่าควรจะทำความเข้าใจจะมองคนหนึ่งให้รับสองหน้าที่ได้ไหมใส่สองตะกร้านะ เอาตองตะก้าเอาใส่เอวจากนั้นพระก็เป็นคนหยิบให้ถ้ามีชื่อไว้ก็ดีเราก็มีชื่อไว้ท่านรุนแล้วก็ท่านองไหนที่สองที่สที่สี่ที่ห้าไปถ้ามีชื่อไว้ก็ดีเพื่อมาให้เขาสับสนบางทีเด็กมาอย่างนี้เราก็เขียนกระดาษก้องเราติดไปเลยทิ้งใส่กระดาษซิงใส่ก้นตะก้าไปเลยอย่างคูบาชิตอย่าง ก็เขียนว่ากูบาชิตกูบาออจอมอย่างนี้กูบาจอมกระทิ้งใส่กลตะกาใส่กระดาษแผ่นนึงเอาไว้เวลาเขามามันจะไม่สับสนกัน เ, เดี๋ยวก็จะบูวีบูวีอีกเหมือนกันนะั่นเราก็เขียนไว้กว็ได้เป็นไรกระดาษเรามีตั้งเยอะแยะไปเราก็ถือไปด้วยเวลาบินธ บ, บัตรใส่ตะกา้าตะกาถ้าเขาคนเขาไม่พอก็ไม่เป็นไรถ้าคนเขาไม่พอเราก็ เอาใจบาดของเรากับฟ้าบาดของเราก็น่าจะเพียงพอแล้วเราจะไปกินอะไรมากมายนักนะ เ, เราก็ใส่บาดเข้าไปให้เต็มบาดแล้วก็ฟ้าบาดแล้วก็พ อ, เ, อเราก็ออกมาเพระนั้นผ้าใหม่นะตรงจุกบาดออกที่เราจะฉันอะไรเราชอบอะไรเราฉานอะไรก็ใส่ไว้ไนในบาดนั้นมาถึงที่นั่งก็ยัจะค่อยได้เทออก เ, อเราจะฉันอะไร เราไม่ชั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเราจะชั้นมากชั้นน้อยก็ได้กระสุดแท้แต่เรื่องเราจะรับอาหารแต่ทางนุ้นจากมาจากในทั้งบินธบามาเลยใส่ในบาทมาถึงที่นี่เราจะไม่รับกระสุดแท้แต่ก็ได้ทั้งนั้นนะ่ะมันอยู่กับเรานะเรขอให้พวกเราอย่าทะเลาะกันก็นแล้วกันให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้มุ่งมัน่น เรามาเพื่อรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาเราไม่ได้มาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราไม่ได้มาหาอยู่หากินเราไม่ได้มาอวดข้ามอวดเก่งเรามาเพื่อบําเพ็ญกิจตภาวน า, า, วนาหาทางพ้นทุกข์สร้างสร้างบุญสร้างกุศลเข้าจิตเข้าจู่ใจของเราเราก็มาบําเพลล็ญเราต้องคิดอย่างนั้นในใจไม่อยุดเสมอๆนะเอาพวกคุณแม่ทั้งสาม ว่านาโมสามจบแล้วก็อธิษฐานพรนสาพร้อมกัน